นี่มาขึ้นปัญหาใหม่เลยในปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าบ้างพุทธสัพพัญยุภาวะปัญหาพระเจ้ามิลินถามว่าพระคุณเจ้านากเกษตพวกท่านกล่าวกันว่าพระตถาคตทรงเป็นพระสัพพัญยูแปลว่าผู้รู้สรรพสิ่ง ผู้รู้สรรพสิ่งเนี่ยรู้อะไรบางรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตรู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตรู้ทั้งปัจจุบันทั้งในแง่เหตุในแง่ผลรู้ทั้งสังคตะรู้ทั้งอสังคตารู้สรรพสิ่งไปหมดเนี่ยนะคือไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ทุกอย่างเนี่ยนะเขาบอกว่าสิ่งที่ควรรู้มีเท่าใดยานของพระพุทธเจ้ารู้เท่านั้นนะ เพราะว่าพระยานของพระองค์เนี่ยเสมอกับสิ่งที่ควรรู้เนี่ยนะยะยาบทมีเท่าใดพระยานของพระองค์ก็มีเท่านั้นเนี่ยนะมีมากมายเยอะแยะอย่างนั้นจริงอันนี้เป็นเหตุผล น, นะที่มีข้อความทั่วๆไปอย่างภาสาริบทเนี่ยกล่าวยกย่องสรรเสริญมากว่าพระองค์เป็นพระสัพพัญยูแต่ว่ามันก็มีข้อมาโต้แยง้งบอกว่าและยังกล่าวอีกว่า เ, เมื่อภิกษุสง อันมีท่านพระสารีบุตรและพระมหาโมกคลานะเป็นประมุกถูกพระตถาคตทรงขับไล่แล้วพวกเจ้าสาักยะชาวเมืองจาตุมาและก็ท่านเท้าสามบดีพรหมก็ได้ทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเลื่อมใสให้พระผู้มีพระภาคเจ้าอดโทษให้พระผู้มีพระภาคเจ้าพอประทยัยโดยแสดงอุปมาเรื่องพืชและอุปมาเรื่องลูกโอร พระกุลเจ้าหน้าเกษพระตถาคตไม่ทรงทราบอุปมาที่จะเป็นเหตุให้พระองค์ยินดีพระองค์ไม่รู้วิธีอุปมาให้ตัวเองอดโทษพระองค์ไม่มีความสามารถพอจะอุปมาให้ตัวเองสงบให้ตัวเองพอพระทัยได้หรือไรทำไมจะต้องให้คนอื่นมาเกลี้ยกล่อมใช่ไหมทำไมต้องให้คนอื่นมาอุปมาอุปไมให้ตัวเองฟังและตัวเองจึงค่อยพอใจทาไมไม่อุปมาคิดเอาเองเสร็จก็จะได้เรียบร้อยเราะเป็น เพราะมันตอนแรกก็บอกว่าท่านเป็นสัพพันยแูแค่คิดแค่นี้ทำไมจะคิดไม่ได้ไจะได้ไม่ต้องไปถือโทษโกรธเครืองพระภิกษุเหล่านั้นะนะไม่ถึงก็ต้องไปขับไล่อะไรอย่างนี้นะ ก็แปลว่าปฏิเสธว่าพระองค์ไม่น่าจะรู้จริงนะนะคือคือหลักการก็มีว่าพระองค์ไม่น่าจะรู้จริงพระขุนเจ้าน้ากเกษถ้าหากว่าพระธาคตไม่ทรงทราบอุปมาเหล่านั้นถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็หาใช่พระสัพพันย์อยูไม่แค่อุปมาแค่นี้ก็อุปมาไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านชาวเมืองเข้ามาอุปมาให้ถ้าหากว่าทรงรู้อุปมาอย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นก็ทรงมุ่งจะทดสอบ กิจตามความพอพระไทยจึงขับไล่ถ้าเป็นอย่างนั้นพระสถาคตก็ไม่มีพระมหากรุณาสินี่นะพระองค์คิดอะไรได้ก็ทําไปเรื่อยใช่ไหมแสดงว่าไม่กรุณาต่อเขาเลยเนี่ยเขาต้องแหมรีบเก็บข้าวเก็บของเพื่อจะออกจากวัดไปเนี่ยนะพระภิกษุทั้งหลายเราประนามเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าไม่อย่าอยู่ในสำนักของเราเก็บของหนีเลยเนี่ยนะพระภิกษุงอยเครียดกันหมดเลย พระองค์นี่ขาดเมตตาสิทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไม่สบายใจกันเพราะฉะนั้นปัญหาข้อนี้ก็มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิดมันก็น่าคิดเหมือนกันนะบอกว่ารู้ทุกอย่างแต่ว่าต้องให้คนอื่นมาอุปมาให้ฟังพระนาคเษนก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิษพระตถาคตเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระสัพพันยูเนี่ยจริงยังไงพระองค์ก็เป็นสัพพันยู และพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเลื่อมใสยินดีอดโทษให้พระองค์เนี่ยสงบถึงความพอพระทัยเพราะอุปมาเหล่านั้นก็จริงเพราะชาเพราะเจ้าสักยะชาวเมืองจตุมาและเท้าสามบดีพรมมาอุปมาเนี่ยพระองค์ก็พอใจก็เลยรับสั่งให้พระพิสุเหล่านั้นกลับอันนี้จริงขอถวายพระพรพระตถาคตทรงเป็นพระธรรมสาสมีรีว่าเจ้าของแห่งธรรมเนี่ยนะ เทวดาและคนชาวเมืองจตุมาเหล่านั้นได้ใช้อุปมาที่พระตถาคตทรงประกาศไว้นั่นแหละส่งทำพระตถาคตให้ทรงยินดี ใ, ให้พอพระไทยให้เลื่อมใสซึ่งพระตถาคตก็เลื่อมใสอนุโมทนาบุคคลเหล่านั้นว่าสาธุดีแล้วเนี่ยนะก็ถูกต้องอะนะว่าพระองค์ขับไล่ก็จริงแล้วก็ชาวเมืองจตุมากับเท้ามหาพรหมมาแสดงให้ยินดีก็จริง เปรียบขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าหญิงใช้ทรัพย์ที่เป็นของสามีนั่นแหละทำให้สามียินดีทำให้สามีพอใจทำให้สามีเลื่อมใสซึ่งผู้เป็นสามีก็เลื่อมใสหญิงนั้นกล่าวชื่นชมว่าดีจริงฉันใดนะก็เอาสตังสามีนั่นแหละไปซื้อกับข้าวมาปรุงอาหารให้สามีรับประทานสามีก็เลยชมเลยนะสามีก็เลยพอใจตัวอย่างนะเหมือนว่าเอาสตังสามีนั่นแหละซื้อของมาฝากสามีนะสามีก็เลยพอใจเป็นต้น เอ็มยังไงกันไม่น่าจะมาซื้อเองก็ได้ใช่ไหมต้องทาไมต้องให้คนอื่นซื้อให้อย่างงี้งยขอถวายพระพ ร, พรพวกเจ้าสักยะชาวเมืองจตุมาและท่านท้าวมหาพรหมอาสหบดีพรหมก็ได้ใช้อุปมาที่พระตถาคตได้ทรงประกาศไว้แล้วนั่นแหละทําพระตถาคตให้ทรงยินดีอ่ะนะให้ทรงพอพระไทยให้ทรงเลื่อมใส และพระตถาคตก็ได้ทรงเริ่อมใสในบุคคลเหล่านั้นตรัสอนุโมทนาวสาัสสัตวฉันนั้นเหมือนอะไรเหมือนหญิงที่ใช้ทรัพย์สามีหาของมาให้สามีและสามีพอใจฉะนั้นขอถวายพระพอรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนอย่างว่าช่างแต่งผมนะช่างกระบอกช่างแต่งผมพระราชาเนี่ยนะย่อมใช้แผ่นทองปรับทรงพระเกศาของพระราชานั่นเองแต่งพระเกศาของพระราชา ทำพระองค์ให้ยินดีให้ทรงพอพระไทยให้ทรงเลื่อมใสแต่งผมพระราชาให้พระราชาพอใจเอาผมก็พระราชาทำไมไม่หวีเอาเองไปดัดไปตัดไปย้อมเอาเองอ่ะนะทำไมช่างผมต้องทำให้ด้วยให้พระราชาพอพระไทยนะนซึ่งพระราชาก็เลื่อมใสเขาก็ทื่นชมว่าเออดีจริงฉันใด อ, อย่างเช่นเราไปร้านตัดผมก็ผมของเราใช่ไหมเอาช่างทาไมช่างตัดผมทำใหเราพอใจอะ่ะ มันไม่ตับทําให้มันพอใจก็ผมบนหัวของเราเองก็ทําให้มันเรียบร้อยไปหมดเลยนะอันนี้ฉันใดขอถวายพระพรพวกเจ้าศักยะชาวเมืองจตุมาและท่านท้าสามบดีพรหมก็ได้ใช้อุปมาที่พระตถาคตได้ทรงประกาศไว้แล้วนั่นแหละอุปมาอันนี้พระองค์เคยแสดงแล้วนะแล้วก็ทําให้ท่านเหล่านั้นก็ทําพระตถาคตให้ยินดีให้พอพระทยัยให้เลื่อมใส ซึ่งพระตธาคตก็ทรงเลื่อมใสบุคคลเหล่านั้นตรัสอนุโมทนาว่าสาธุฉันนั้นขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าสิทธิ์ือเอาบินธบาติที่พระอุปชาหามาได้นั่นแหลน้อมเข้าไปถวายพระอุปชาทําพระอุปชาให้ยินดีให้พอใจให้เลื่อมใสซึ่งพระอุปชาก็เลื่อมใสสิทธิ์ผู้นั้นกล่าวชื่นชมว่าดีจริงฉันใด ขอถวายพระพรพวกเจ้าสักยะชาวเมืองจตุมาและท่านเท้ามหาพรหมก็ได้อุปใช้อุปมาที่พระตถาคตได้ทรงประกาศไว้แล้วนั่นแหละทําพระตถาคตให้ทรงยินดีให้พอพระไทยให้เลื่อมใสซึ่งพระตถาคตก็ได้ทรงเลื่อมใสบุคคลเหล่านั้นตรัสอนุโมทนาว่าสาธุแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงฉะนั้นไอสามอุปมาเนี้น่าจะเข้าใจกันนะนะสำหรับใครที่ ชื่นชอบภรยาก็ฟังอันนี้ก็พอใจใช่ไหมังว่าสามีได้ของขวัญจากภริยาก็สมบัติของตัวนั่นแหละหรือไม่พระราชาที่ช่างการระบบมาแต่งผมไห้ก็ผมของตัวอีกนั่นแหละแล้วก็ลูกศิษย์ที่ฉันอาหอุปชาที่ฉันอาหารที่ศิษย์จัดถวายก็อาหารของตัวนั่นแหละหามานะฉันใดนี้ก็พระองค์ก็ยินดีในอนุโมทนาที่สักยะชาวเมืองจตุมาและเท้าสามบดีพรมฉนั้น ซึ่งพระเจ้ามิลินก็บอกว่าดีจริงพระคุณเจ้าน่ากเกสนข้าพระเจ้าขอยอมรับคำตามที่ท่านกล่าวมานี้เนื้อหาโดยสรุปในจตุมสูตรที่บอกตอนหนึ่งะนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าขับไล่ภิกษุจำนวนประมาณ500รูปที่มีท่านภาษาริบุตรและท่านพรหมหาโมกคลานะเป็นหัวหน้านำเข้ามาเฝ้า อยู่ภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยนะไปอะสอนประชุมชนก็ได้พระใหม่บวชเข้ามาเลยห้าร้อยก็พาภิกษุห้าร้อยใหม่ๆเนี่ยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทีนี้ความที่พระภิกษุใหม่เนี่ยเรียนอาจาระเรียนมารญาติเรียนข้อวัดปฏิบัติอาจาริวัดเสกคียวั ด, ว, ดวัดอะไหลาย อ, อย่างไม่พอเพราะความสํารวมก็ไม่ดีเพราะท่านบวชใหม่ใช่ไหมก็เลยไม่สํารวมทรงเสียงดังอื้ อ, อพอไปถึงวัดเนี่ยนะพอไปถึงวัดที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ อ่าก็ไปถามว่าไหนกุติอาจารย์ครับพระเจ้าอยู่ไหนกุติอาาุปชาครับพระเจ้าอยู่ไหนพอเขามีน้ําปานะมาบอกขอให้ครับอาาุปชาหน่อยขอให้อาจารย์หน่อยก็โมแต่โอ้ยวุ่นวายกับเรื่องอาหารเรื่องน้ําปานะเรื่องที่อยู่เรื่องอาศัยนี่เสียงนี่ดังคมเลยนะห้าร้อยอยคิดดูะนะสังเกตดูถ้งหาร้อยเนี่ยมันจะดังขนาดไหนวัดเงียบๆอยู่ใช่ไหมปกติมันเงียบอยู่แค่ไดนะ้เหมือนชาวประมงแย่งปลากันพระองค์ก็เลยถามพระอนุ์ นะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเสียงดังระงมเหมือนชาวประมงแย่งปลากันอย่างนี้พระนน์ก็กราบทูลให้ฟังพระองค์ก็สั่งประนามขับไล่ออกไปเลยเนี่ยนะทีนี้พวกเจ้าศักยะเมืองจตุมาเนี่ยนะเกละเท้ามหาพรหมทราบข้อความนี้แล้วเนี่ยนะก็คือเห็นพระพิสุ ชาวเมืองจตุมานี่เห็นพระพิสุเดินเข้าวัดกันมาดีๆใช่มั้ยอภักหนึ่งเก็บของกลับมาแล้วเอ๊มเกิดอะไรขึ้นก็เลยสอบถามกับพระพิสุเหล่านั้นว่าเนี่ยตัวเองไปทำเอ่กอกระึกครึโครมเนี่ยพระองค์ก็เลยประนามขับไล่นี้แต่และองค์น้อยเดินออกมาหมดเลยเสร็จแล้วก็เดี๋ยววราอยู่นี่ก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนนะแล้วก็ไปไปอ้อนไปอาราธนาไปอ้อนวอนไปใช้อปมาเนี่ยนะ คือให้พระองค์ทราบข้อประมาอุปมาเมื่อพระองค์รู้ข้ออุปมาอันนี้แล้วพระองค์ก็จะมีกรุณาต่อภิกสุเหล่านั้นก็จะเสด็จเข้าอ น, นะสักยะเหล่านั้นก็เลยเข้าไปทูลอ้อนวอนพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ยินดีให้อดโทษแก่ภิกสุเหล่านั้นและก็โปรดให้ภิกสุเหล่านั้นเข้าเฝ้า น, นะโดยที่ทรงแสดงอุปมาเรื่องพืชอ่อนและอุปมาเรื่องลูกโคอ่อนโดยสรุปอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนว่าพืชที่ยังอ่อนอยู่เมื่อไม่ได้น้ำพืชก็มีแต่ความผันผวนมีแต่ความแปรไปมีแต่อับมีแต่เช้ามีแต่หมดไปฉันใดในบรรดาภิกษุเหล่านี้ภิกษุใหม่ภิกษุที่บวชได้ไม่นานท่านเหล่านั้นเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้ได้ไม่นานก็มีอยู่พระเจ้าค่า พิโสเหล่านั้นเมื่อไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะมีจิตพันผนแปรปรวนเป็นอื่นไปเสียฉะนั้นเหมือนกันนะขอให้พระองค์เนี่ยให้โอกาสแก่ท่านเหล่านั้นเถอะเหมือนอะไรนะเหมือนกับให้น้ําแก่พืชที่ยังอ่อนเนี่ยนะไม่งั้นเดี๋ยวก็กลายเป็นอื่นไปนหมดเลยเนี่ยนะไม่รู้ว่าเขาออกจากสํานักพระองค์แล้วไปจวัดเดร์ธีหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะ เดี๋ยวว่าบ า, างคนเนี่ยมาเรื่องมันลามได้นะโอ๊ยพระพุทธเจ้าอะไรขาดใจกรุณาดูซิไล่นี้อะไรเงี้ยนะก็บางคนก็คิดคิดไปคิดมานะมันน้อยใจมันก็ไปเรื่ อ, อยอแหละค่าแต่พระองค์ผู้เจริญอันนี้ข้อุประมาทที่สองว่าเปรียบเหมือนว่าลูกโคที่ยังอ่อนอยู่เมื่อมองไม่เห็นแม่โคก็จะพึงมีความจิตเออก็จะพึงมีจิตพันผนแปรปรวนไปเสีย แม้ฉันใดบรรดาภิกษุเหล่านี้ภิกษุใหม่ซึ่งบวชได้ไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินายนี้ได้ไม่นานก็มีอยู่พระเจ้าค่าภิกษุเหล่านั้นเมื่อไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะพึ่งมีจิตพันผวนแปรปรวนไปเสียฉันนั้นเหมือนกันพระเจ้าค่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอจงทรงยินดีจงชื่นชมภิกษุสงฆ์เถิดพระเจ้าค่าขอพระองค์ทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในเวลานี้เหมือนอย่างที่พระองค์เคยทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์มาก่อนหน้านี้เถิดพระเจ้าค่าซึ่งอุปมาทั้งสองที่บุอุปมาทั้งสองอย่างที่บุคคลเหล่านั้นะนะทางกรรษัตริย์ชาวเมืองจตุมาและเท้ามหาพรหมมา โทนาราธนาให้พระองค์มีใจกรุณาซึ่งจริงๆไม่ใช่ว่าพระองค์ขาดกรุณาแต่ด้วยเหตุผลหลายประการเนี่ยนะหนึ่งถ้าไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยนะเรื่องมันจะเสียหายอีกหลายเรื่องแล้วก็บางคนเนี่ยนะวิธีฝึกของบางคนเนี่ยพูดดีด้วยไม่ได้เห็นไหมพูดดีด้วยไม่ได้ถ้าบอกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากระชากธรรมดาไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนนะเง้าเรียกว่าต้องค่อนข้างรุนแรงหน่อยนะจึงจะค่อยรู้เรื่อง แต่ว่าพระพิสูจเชื่อไหมห้าร้อเหล่านั้นบรรลุหมดเลยเนี่ยนะบรรลุหมดเลยเพราะการที่ประนามขับไล่นั้นก็เป็นวิธีสอนอีกวิธีหนึ่งในบรรดาวิธีสอนทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระพิสูจน์เหล่านั้นเนี่ยนะตอนแรกท่านก็เหมือนกับว่าอะไรนะหมายเราเนี่ยมันเป็นผู้มีบุญผู้มีโชคได้เข้ามาเฝ้าพราะพุทธเจ้าก็เลยวางตัวแบบคือวางตัวแบบค่อนข้างน่าเกลียดแล้วนะเหมือนไม่เกรงใจว่าตัวเองกําลังอยู่ใน พุทธสํานักอ้างว่าเหมือนกับตัวเองเป็นคนใหญ่คนโตเข้ามาเฝ้าคนโตก็เลยขาดการสํารวมขาดความระวังไอ้จิตคารวะตาไม่เหลือแล้วเนี่ยนะก็กลายเป็นคนที่พยองแล้วก็ลำพองมากการที่พระองค์ขับไล่ไปอย่างนั้นเนี่ยนะก็เป็นวิธีสอนว่าไอ้มานะเป็นต้นเนี่ยไม่ดีการสังวรเป็นต้นเนี่ยเป็นความดีก็มีสามัญจะสานึกเกิดขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยนะก็ละอายต่ออะไรละอายต่อกษัตริย์ชาวเมืองจะตัมาด้วยละอายต่อ ทรมทั้งหลายด้วยทําให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยนะตั้งอยู่ในฮีริและโอตะปะอย่างแรงกล้าเพรา ะ, ะฮีริโอตะปะเป็นเหตุใกล้แห่งศีลศีลเป็นเหตุใกล้ของสังวรนำมาซึ่งอวิปปิสารปราโมดปีติปัสสัทธิสุขสมาธิเป็นต้นท่านเหล่านั้นก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะตรัสรู้อริยสัจนะตรัสรู้ธรรมเป็นที่ผลทุกข์ได้อันนั้นก็เป็นวิธีสอนอีกอย่างหนึ่งใน บรรดาวิธีสอนของพระพุทธเจ้าโดยที่ต้องใช้โอวัที่ค่อนข้างหนักหน่อยซึ่งบางคนที่ไม่เข้าใจพุทธประสงค์ก็หยิบยกเอาความข้อนี้แหละมาเป็นเครื่องตำหนิพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเชื่อไหมคนที่ตำหนิก็ไม่ได้บรรลุอะไรนคนที่อย่างที่ว่าพระพิสุเหล่านั้นที่พระพุทธเจ้าฝึกก็สำเร็จเป็นสาเร็จเป็นพระเรเจ้าแต่บางคนที่พร้อมจะไม่เลื่อมใสพระพุทธเจ้า ได้เหตุเล็กๆน้อยๆอยอยเหล่านี้จากพระสูตรต่างๆซึ่งรู้เนื้อหารู้เรื่องราวไม่ตลอดสายก็กลายเป็นที่ตั้งแห่งคอรหะเป็นที่ตั้งแห่งความว่าร้ายเป็นต้นพระพระเจ้ามิลินก็เลยยกปัญหาข้อนี้ขึ้นม า, านให้พระานาคเกษชี้แจงนะเพราะว่าคนยุคต่อๆไปถ้าไม่ได้ฟังข้อเปรียบเทียบอุปมาเหล่านี้กลายเป็นว่าโจมตีพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระองค์ไม่ใช่สัพพันยู เ, นเพราะไม่รู้จริง ต้องให้คนอื่นมาคอยอุปมาฉะนั้นปฏิเสธปัญญาพระพุทธเจ้าปฏิเสธปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวอีกหนึ่งถ้าพระองค์รู้อยู่เป็นสัพพันญูยังขับไล่คนอื่นไปอีกขาดการุณาก็ปฏิเสธพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าฉนั้นการชี้แจงปัญหาข้อนี้เท่ากับว่ายัางรักษาพระปัญญาของพระองค์เนี่ยนะหมายความว่าคนจะได้ไม่เข้าใจผิดอย่างว่าพระองค์เนี่ยนะก็เป็นผู้ที่มีปัญญา มากเหมือนกับแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาฟ่ามือไปปิดตาคนอื่นไม่ใช่ว่าดวงอาทิตย์จะสว่างน้อยลงใช่ไหมเอาสมมติว่าใครลืมตายามกลางเออลืมตาแล้วว่าปิดปิ ด, ป, ด, ป, ด, ป, ดปิดตาเข้าเนี่ยนะดวงอาทิตย์เลยลดแสงสว่างลงเลยไม่เพราะฉะนั้นการตั้งปัญหาเหล่านี้ก็เหมือนกับว่าอย่าปิดอย่าบังตาตัวเองจะได้เห็นแสงสว่างให้ชัดเจนเท่านั้นแหละ2องเกาะที่มี มีปัญหาเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับเรื่องพระพิสุ์ถูกขับไล่เหมือนกันนะนะเชื่อมโยงกันหน้าสองร้อยเก้าสิบเก้านะพิขคปนามิตะปัญหาว่าพระองค์เนี่ยที่ทำอย่างนั้นก็ไม่ได้โกรธนะเนี่ยนะไม่ได้ทำด้วยความโกรธคืออันเนี้ย พระเจ้ามิลินเนี่ยนะตั้งว่าพระองค์เนี่ยละราคาไรร ะ, ะได้จริงหรือละโทสะได้จริงหรือละโมหะได้จริงหรืออ่านะก็เลยยกขึ้นมาใช่ไหมละพระพุทธเจ้าเนี่ยละโมหะได้จริงหรือก็คือสัพพันยูปัญหาพระองค์ละโทสะได้จริงหรือก็เนี่ยพิโุปนามิตปัญหาอ่านะแล้วก็พระองค์เนี่ยมีใจกรุณาต่อผู้อื่นจริงหรืออนะอันนั้นก็บอกว่าก็คือหมายว่ารู้จริงหรือเปล่าอ่านะทำอะไรด้วยอัคติอยู่หรือเปล่าอะไรหรือเปล่า ทุกอย่างที่พระองค์ทํานั้นพินิษฐพิจารณาใครควรเสร็จสิ้นเสร็จแล้วใช่ไหมก็นะก็คือค่ะว่าสอบสวนทั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมของพระพุทธเจ้าว่าถ้าเป็นผู้มีคนงามความดีมีความสะอาดบริสุทธิ์จริงก็ควรแล้วที่จะนะเป็นที่ตั้งนะเป็นที่ให้สัตว์เราอื่นถึงพระองค์ว่าเป็นสารณะใช่ไหมซึ่งเป็นการซักฟอกอนะเป็นการซักฟอกเพื่อความรู้เพื่อความ เข้าใจแต่ปัญหาลักษณะนี้เขาไม่เรียบปัญหาลักษณะวิจิกิจชาที่สร้างความที่เสียหายแต่การตั้งคาถามแบบนี้กับผู้ที่มีความเข้าใจมากอันนี้เป็นเรื่องที่ดีถามว่าทำไมจึงดีเพราะทําให้เข้าใจพระพุทธคุณโดยแง่มุมต่างๆเนี่ยนะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีพระปัญญาคุณจริงพระองค์มีพระบริสุทธิ์ที่คุณจริงและพระองค์มีพระมหากรุณาคุณจริงๆเนี่ยนะพระพระคุณทั้งปวงของพระองค์ก็จะ ปรากฏแต่อาศัยเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยนะถ้าคิดแบบปุถุชนทั้งหลายบางทีก็เอานิสัยตัวเองเข้าเป็นเครื่องวัดว่าเอ๊ะถ้าตัวเองไล่ใครแล้วต้องโกรธใช่ไหมหรือไม่ก็บอกว่าเอ๊ะรู้จริงหรือเปล่าคิดว่าต้องโง่เหมือนเร า, านะหรืออะไรทั้งหลายแหละเนี่ยนะซึ่งบางคนเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยจะเอายกโดยมากจะยกตนเป็นเครื่องเปรียบเนี่ยนะจะเอาพฤติกรรมของตัวเองเอาวิธีรู้สึกนึกคิดของตัวเองเป็นเครื่องเปรียบซึ่ง จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้น